อย่าปล่อยให้โลกมันดึงดูดเราไปรูปเดียวโลกไม่มีสาระถ้านะ เ, เราได้ธรรมะมีสาระนี่เรียกว่าเรามีโยนิโสมนานสิการ ร, รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระโยนิโสมนารรมนสิการอันต่อมารู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชนนะ์สิ่งที่มีประโยชน์นะอันไหนไม่มีประโยชนนะ์อย่างการภาวนาใช่เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาไม่มีประโยชน์เลย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 อย่างใกล้สิ้นปีใช่ไหมโบนัสจะออกเนี่ยตื่นเต้นนะจะได้สักเท่าไหรนะ่ปีนี้เจ้านายก็ทำหน้ายุ่งมาใส่ฐานะไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีในะใกล้สิ้นปีเราก็ห่อเหี่ยวแล้วบางปีอ่าเศรษฐกิจรุ่งเรืองรู้ว่าปีนี้จะได้เยอะนะพอถึงเดือนตุลาเริ่มคิดแล้วว่าจะใช้เงินยังไงดีนะนบางคนจะไปซื้อโน้ตบุ๊กซื้อไอพอ